คนเกียดคล้านนี่มีแต่กวนแล้วนิ้นกินแล้วนอนอย่างนี้นี่เลือดมันก็ไม่ฉีดไปแรงเลีเ้ยงร่างกายได้มันก็ทำให้ผิวพันธ์สูบซีดมันเป็นยางนั้นคนที่จะมีผิวพันธ์ผ่องใสอยู่ได้ต้องทำงาน เมื่อทำงานออกกำลังอยู่เลือดมันก็วิ่งไปทั่วร่างกายทำให้เกิดเป็นผิวพันขึ้นมานั่นเลื้อตลอดถึงทางจิตใจก็เข้มแข็งคนทำงานคนทำงานนี่ต้องมีใจเข้มแข็งมันจึงทำงานได้ คนเกียจคร้านนี่ทั้งร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอมันอ่อนไปทุกอย่างมันเลยกลายเป็นคนเสียแบบนี้นะ น, นั่นเสังคมเขาก็ไม่ต้องการเลยคนเกียจคร้านนะไม่ว่าสังคมไหนแหละสังคมทางโลกสังคมทาง ศาสนาเหมือนกันหมดไม่มีใครหรอกเขาต้องการคนเกียดคร้านนะให้รู้ไว้ <c oughs> มีแต่เขาต้องการคนหมั่นคนขยันคนเคารพต่อระเบียบอันดีงามเพราะว่าการทำเช่นนั้นอนะ่ะมันทำให้สังคมนันเจริญรุ่งเรืองขึ้น สามารถควาเพญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้เป็นไปได้เพราะความพร้อมเพียงกันเป็นนาำหนึ่งใจเดียวกันกิจอันใดที่ควรทำเราก็ประกาศให้กันรู้ไว้โดยทั่วกัน mm hmm. เมื่อมันรู้ทั่วกันแล้วมันก็ทำกิจธุระอันนั้นพร้อมกันไปได้ mm hmm. ก็เมื่อเมื่อไม่ มารวมกันสามัคคีกันแะ้วอย่างนี้ผู้เป็นหัวหน้าประกาศอะไรให้ฟังก็ได้ยินได้ฟังกันแต่ผู้ที่มาร่วมประชมุมคนไม่ได้มาประชุมก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามัคคีกันทีนี้การทำการทำงาน ต่างๆวันนั้นผู้ไม่รู้มันก็ไม่ทำมันก็ทําแต่ผู้รับรู้เหตุนั้นมันจึงไม่ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมที่มันเจริญรุ่งเรืองไปได้นั้นล้วนแต่เกิดจากความสามัคคีกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ให้ทบทวนถึงแต่ครั้งพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะองค์ทรงมีพรหมเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายอย่างยอดเยี่ย ม, มเนื้อวันนี้คนหมู่หนึ่งหนึ่ง ม, มีจำนวนห้าร้อยก็มีพันหนึ่งก็มีอันเพื่อน รวมหัวกันนะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังเทศจบลงก็ได้สำเร็จมรรคผลพร้อมๆกันอันนี้แสดงว่าคนเหล่านั้นนะตั้งแต่ชาติก่อนนน้นเพื่อนก็ได้สร้างบุญกุศล ร, ร่วมกันมาสมัรสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มาตั้งแต่ชาติก่อนหนนหลังนู่นไม่เกียงงอนกันไม่ทะเลาะวิวาดกัน <c oughs> ผู้เป็นมุกประมุขประธานวางระเบียบไว้อย่างไรก็พร้อมใจกันปฏิบัติตารรมระเบียบนั้นมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาวุ่นวายเดือดร้อนกันมาทะเลาะวิวาดกัน เมื่อต่างคนต่างเคารพต่อกฎต่อระเบียบของหมู่ของคณะแล้วมันก็ไม่มีอะไรอที่จะมายุ่งเหยิงอันมันเกิดความยุ่งขึ้นนั้นมันเนื่องมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางกันไว้อผู้ปฏิบัติตามก็มีผู้ไม่ปฏิบัติก็มี อ, อย่างนี้แหละ ยินในชื่อว่าจะนำความเสื่อมมาให้แก่หมู่แก่คณะนั่นนัๆเพราะฉะนั้นนะพวกเราที่เกิดมาในภายหลังไม่ทันได้พบพระพุทธเจ้าจะได้พบศาสนาของพระองค์เราก็ได้ศึกษาเราเรียน รู้ระเบียบข้อปฏิบัติกันแล้วเป็นอย่างดีดังนั้นเราจะต้องพยายามลงมือทําไปตามระเบียบนั้นให้ได้โดยเคร่งครัดทีเดียว <c oughs> ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบอันดีงามแล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ต้องวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลส มีแต่เพลิดเพลินมัวเมาไปอย่างนั้นอืไม่เป็นอันสงบระ ง, งับได้เลยเพราะว่าไม่ตั้งอยู่ในระเบียบดังนั้นพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนับว่าบุญกุศลได้ตกแต่งให้อืเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะ ต, ต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปเมื่อรู้ว่าร่างกายอันนี้บุญตกแต่งให้แล้วเช่นนี้ร่างกายอันนี้หมดบุญแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อบุญยังหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่เราก็ต้องพยายามทมความดีสืบต่อ ฝึกตนสืบต่อไปอาศัยบุญเก่าพูดง่ายๆนั่นเถอะสร้างเอาบุญใหม่เพิ่มเติมนี่ไม่ใช่นั้นแล้วมันก็ขาดตอนกันแหละคนไม่ทำบุญเพิ่มเติมเข้าว่าอย่างนี้เมื่อหมดบุญเก่านี้ลงไปแล้วก็เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่เชื่อบุญไม่ทําบุญกุศลอะไรนี่ตายแล้วมีแต่ไปนรกลูกเดียวไม่ไปที่อื่นเพราะว่ามันไม่มีความดีอะไรที่จะมารองรับดวงขีดนี้ให้อยู่ในโลกอันนี้ได้เช่นนั้นก็เป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าเมื่อเมื่อไม่มีบุญ อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรที่จะรองรับไว้ได้เลยก็ต้องลงนรกลูกเดียวเป็นอย่างนั้นการที่ผู้ที่จะมีชีวิตทีวาอยู่ในโลกอันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นี่ล้วนแต่ได้มีบุญทั้งนั้นแหละแต่ว่าบุญที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ยังไม่สมบูรณ์ มันก็เพียงแต่ว่าได้มาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เท่านั้นเองแล้วทางจิตใจนั่นนะ่ะนั่นแหละมันยังไม่สมบูรณ์นี่จิตใจก็ยังถูกต ก, กอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาถ้าว่าไม่ได้ฟังทำคำสอนของพระเิเจ้าไม่รู้จักแนวทางปฏิบัติ ฉชนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่มีทางจะเบาบางออกไปจากดวงกิดนี้ก็มีแต่จะสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่อยไปมันเป็นยังไงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลงมองดูคนเราเออมีแต่สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็ไปไปก็เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาแล้ว เมื่อกิเลสมันหนาเข้าเท่าใดไอความที่จะมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่มีแล้ววะนี้เพราะกิเลตนั่นที่มันครอบงำจิตไว้ไม่ให้กลัวบาปเลยบะนี้ไม่ให้ละอายต่อในการทำความชั่วทำความชั่วได้อย่างเลือดเย็นนะไม่สะทกสะทานเลยนั่นแหละกิเลสเมื่อมันหุมห่อจิตใจให้หนาเข้าไปแล้ว มันไม่กลัวบาปจริงๆคนที่ทำบาปได้คนที่ทำบาปได้อย่างมากมายนี่นมันก็ล้วนตั้งแต่มันนั่นแหละสะสมกิเลสให้หนาแน่นอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นคนที่กลัวบาปแสดงว่ากิเลสเบาบางออกจากหิดใจ มีบุญกุศลเกิดขึ้นในใจทั้งบุญเก่าที่ได้ทำมาในชาติก่อนแล้วก็ทำบุญใหม่ในชาตินี้สมทบกันเข้าไปเมื่อบุญกุศลมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกำชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ไปในทั้งโลกนี้โลกหน้าต่อไปนี่ลักษณะของคนผู้มีบุญมากมันเป็นอย่างนั้นในการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาให้เบาบาง อ, อุปาจากกิจใจนี่มันก็ต้องอาศัยความเพียรความมันความขยันทำข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ ก็อย่างว่านั่นแหละก็เคยพูดให้ฟังอยู่ในอภปริหารยธรรมนะทรงสอนให้มันประชุมกันเนืองนิดนี่เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณ ะ, ะควรทำก็ลองฟังดูสิพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ แล้ววันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ใครอยากมาประชุมก็มาไม่ต้องการมาก็ไม่มาอย่างนี้มันจะได้ชื่อว่าพร้อมเพียงกันได้อย่างไรอ่ะน อ, อย่างนั้นมันก็ได้ชื่อว่าบกพร่องต่ออปริหานิยธรรมอันนี้ขนมมาก็มาไม่พร้อมกัน อืดอาดยืดยัืดทำให้ผู้มา ก, ก่อนคอยอยู่จนนมนาน อ, อย่างนี้นี่มันก็น่าจะมีความละอายแก่ใจบ้างนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ควรที่จะทำให้คนหมู่มากนั้นคอยตนเองควรจะนึกละอายใจบ้าง <c oughs> ถ้าไม่นึกละอายแก่ใจแล้วอย่างว่านั่นนะคนเราเนี่ยมันทำอะไรตามชอบใจของเลยไม่มีความละอายต่อหมู่ต่อคณะต่อเพื่อนฟุง้งอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เฉื่อยชามันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าผู้เช่นนั้นน่ะย่อมมีนิสัย เป็นคนเฉื่อยชาออนแอขาดสติสัมปชัญญะความระลึกถึงกิจวัตรของตัวเองขาดสติความระลึกถึงระเบียบของหมู่ของคณะขาดสังคารคาระวะขาดความเคารพในสงฆ์หรือในหมู่ในคณะ นี่มันบกคล้องไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้เลยเ อ, อ่มันถึงได้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเมือม่อเมื่ออยู่ปราศจากคุณธรรมต่งตางๆเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเลยก็ไม่มีสติเมื่อมีปัญญายิ่งขึ้นไปได้ตนมีความรู้อยู่เท่าไรมีความดีเท่าไรก็อยู่แค่นั้นแหละ มันจะไม่ก้าวหน้าไปได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าคฤหัสถ์ไปว่านักบวชก็ต้องปฏิบัติตามธรรมะอันนี้เหล่านี้เหมือนกันหมดนั่นแหละ<ม>เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้นะต่างคนต่างก็ต้องการความสุขความเจริญแก่ตนอนะืม อันความเสื่อมความทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการทีนี้พูดถึงความสุขบนันนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วสุขชั่วคราวสุขถาวนมันมีอยู่สองสุขนี้แต่คนส่วนมากมันก็ไปติดสุขชั่วคราวนั่นแหละนึกว่าตนมีบ้านอยู่อาศัยแล้วมี ข้าวกินมีผ้าหนุ่งผ้าหฮมก็ไปมีเงินใช้สอยเล็กน้อยแล้วก็นึกว่าตนมีความสุขแล้วอย่างนี้ก็มีะเพรินไปเปริดเพลินมัวเมาไปมูนี่แล้วเมื่อผู้เป็นประมุขประธานของหมู่บ้านเรียกประชุม ตามทางการเพื่อจะได้ชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับทางการบ้านเมืองให้รู้ทั่วกันและรู้จักข้อห้ามอะไรทางราชการเขาห้ามไม่ทำอะไรเขาแนะนำให้ทำอะไรอย่างนี้นะเมื่อไม่ไปประชุมพร้อมเพียงกัน มันก็ไม่รู้ทั่วถึงกันเลยข้อระเบียบของทางราชการเมื่อไม่รู้ทั่วถึงกันแล้วมันก็ไม่ได้ทำกิจที่ควรทำที่ทางการเขาสั่งมาให้พร้อมใจกันทำอย่างน้น อ, อย่างนี้มันก็ทำไปไม่สำเร็จเพราะความไม่สามัคคีพร้อมเพียงกันแต่อย่างนี้นะมันจะไปทำให้บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างไรอ่ะ แม่วัดวาศาสนาก็เหมือนกันเนะี่ยเมื่อผู้อยู่อาศัยอยู่ในวัดวาอารามนี่ขาดความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วก็จะทําให้วัดนี่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยเหมือนกันแนหะทั้งทางวัดและทางบ้านก็ต้องปฏิบัติตามคุณธรรมอปริหารยธรรมนี่เหมือนกันอนอะมันก็ถึงจะเป็นไปได้ <c oughs> ดังนั้นน่ะจิตใจของคนเรานี่จึงว่าเมื่อมันเฉื่อยชาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็แสดงออกอย่างนั้นแหละถ้าใจไม่เฉื่อยชาผู้ใดตั้งใจได้ใจตั้งอยู่เสมอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ขาดข้อวัดปฏิบัติเว้นเสียแต่เจ็บป่วยอันนั้นมันเป็นกรณีพิเศษ เมื่อใครเจ็บป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่เพื่อนได้ทราบไว้ที่ไม่ได้มาประชุมนี่เพราะเจ็บป่วยอย่างน้น อ, อย่างนี้หรือเพราะติดขัดอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้เมื่อแจ้งให้หมู่ทราบเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรอันนี้นะในแบบเก็บตัวเงียบ เอาเฉยๆนี่จะเป็นอะไรก็ไม่มีใครรู้เป็นอยู่ยังไงก็ไม่มีใครเห็นไอ้อย่างนี้นี่มันไม่เป็นมงคลเลยเพราะฉะนั้นอย่าทํากันถ้าเป็นอย่างว่านี่นะเน่ะเผื่อว่าเจ็บป่วยลงอย่างนี้จะไม่มีใครรู้จักเลยออไม่มีใครจะช่วยรักษาพยาบาลให้ได้เลยโคตตนก็ เก็บแต่ตัวอยู่ไม่สังคมกับหมูไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบ้างอย่างนี้นะมันก็ทำให้หมูลืมแหละจะไม่มีใครสนใจถ้าจนถึงความอิบัติอะไรขึ้นมาก็ใครช่วยไม่ได้เลยนี่ต้องให้เข้าใจไว้ดัะนั้นความสามัคคีนี่จึงชื่อว่า ดีนักรีนาทำความเจริญให้ทางด้านร่างกายและทางจิตใจด้วยร่างกายอย่างนี้นะเราทำอะไรเราช่วยกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ออกแรงมากทำคนละนิดคนละหน่อยไปมันกดเสร็จไปงานหนึ่งๆอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ถ้าหากว่าไม่พร้อมเพียงกันอย่างว่า มีคนหมู่น้อยทำงานอย่างนี้คนหมู่น้อยมันก็ได้ออกกำลังมากก็เหนื่อยมากมเป็นางา น, นมันก็ทำให้งานสำเร็จไปได้ยากดันหมู่นี้มันต้องคิดต้องอ่านกันก็เรามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาสถานานี้ แล้วก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว mm hmm. เสียสละเงินทองเข้าของลาบยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรมาหมดแล้วลองคิดทบทวนดูให้ดีมีแต่มาตั้งหน้าทำความเพียรฝึ ก, กจิตนี้ให้สงบระ ง, งับลงไปจากกิเลสบาประธรรมโดยตรงเลยทีเดียว mm hmm. ไม่ใช่มีอย่างไม่ได้ไม่ใช่มีจุดประสงค์อย่างอื่นการเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามเนี่ยแม่ผู้อยู่ในบ้านถึงการเวลามาวัดก็ตั้งเจตนาที่จะมาฝึกตนมาสั่งสมบุญกุศลเพราะอยู่แต่ในบ้านนั้นหาเวลาว่างได้ยากมีแต่การแต่งงานมีแต่ เรื่องสังคมนู้นนู้นนี่นี่อะไรจีปาถะเลยไม่มีเวลาที่จะได้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรอะไระดังนั้นในระเบียบของทายกทายิกาพระศาสดาก็จึงได้ทรงวางไว้เจ็ดวันควรสวางมือจากการงานและเข้าวัดไปพักผ่อนยอนใจซะ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อสมทานสินอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการนั่นถ้าหากว่าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้อย่างนี้นี่ผู้นั้นก็จะไม่เสื่อมจากสินจากธรรมจากบุญกุศลมีแต่เพิ่มพูนบุญกุศลให้เจริญแก่ก้าขึ้นในตน ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่หลงจะไม่ลืมสินลืมทมเพราะว่าเจ็ดวันเราได้มาอบรมมมอินชีอยู่ในวัดวาอารามนิสักครั้งหนึ่งถ้ามีอารมณ์อันโมหมองอะไรว่าหมักห ม, มมอยู่ในจิตใจนั้นก็จะได้ทำความเพียรกำหนดละมันไป ชำระออกจากกิจใจไปทำใจให้สงบสะอาดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างนี้นับว่าเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทายกทายิกาก็ดีจึงไม่ควรประมาทในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรหาโอกาสพยายามปฏิบัติตามระเบียบ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นด้วยความไม่ประมาทโดยหาโอกาสหาหนทางปรงภาระอันหนักให้มันได้ชั่วระยะเจ็ดวันนี่ควรจะหัดปรงภาระอันหนักลงไปให้ได้ เช่นนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไม่หลงเป็นผู้ไม่เมาได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญกุศลให้เพิ่มเติมไปแล้วการภาวนาการพิจารณาทางด้านจิตใจมันก็พอทาได้ในเมื่อเราเจ็ดวันเรามาชำะสะสาระศาสนากันสักครั้งหนึ่งเช่นนี้มันก็จะไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขต จะได้ตื่นตัวแม้กลับไปทำการบ้านการเรือนอยู่ก็จะได้รู้สึกสำนึกตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อได้รับฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าได้รับคำตักเตือนจากพระสงฆ์แล้วเช่นนี้มันก็น่าทำจริงๆนะแต่ถ้าใครไม่มาหวนนึกถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แล้ว มันก็ชอบประมาทอย่างว่านั่นแหละโดยสำคัญว่าตนจักไม่ตายง่ายก็จึงได้ทำตนให้เป็นคนเฉยชาอ่อนแอต่อการประพฤติคุณงามความดีมถ้าหาว่าผู้ใดมามองดูชีวิตนี่อ้าวมันเหนือน้อยเต็มทีแล้ว คนที่มีอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ใกล้ฟังเต็มทีแล้วและจะมัวเมาเอะไรสักหน่อยก็จะได้ทิ้งโลกนี้ไปแล้วหน่นผู้ใดมันนึกทบทวนดูชีวิตอย่างว่านี่นะมันก็ตื่นตัวกันหาโอกาสเข้าวัดเข้าวาไปผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าไม่เสียที ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จะได้เป็นผู้ตื่นตัวมองเห็นอัจฉภาพร่างกายอันนี้มันเป็นของแตกของดับมองเห็นนามมาทำคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามมาทำอันนี้นะก็เมื่อรูปแตกนามก็ดับไปด้วยกันนี่ก็จะได้เห็นแจ้งในใจอยู่นี่เสมอเสมอ เมื่อมันเห็นแจ้งอยู่นนี่มันก็จะไม่ยึดถือขันห้านี่จ้อนเต็มอัตราถึงแม้ว่ามันจะละไม่ได้เด็ดขาดมันก็ปลงมันก็วางลงไปได้พ อ, อสมควรทีเดียวแหละเมื่อเราภาวนาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนี้น่ะแต่คนส่วนมากมันไม่มค่อยเข้าทวนกระแสจิตเข้ามาภายใน มาเพ่งดูธาตุสี่ขันห้าอันเนี่ยมักตะส่งใจปล่อยใจของตนให้ลอยไปตามกระแสของโลกยิ่งเมื่อได้ทำการทำงานเขาแล้วก็ยิ่งเมาใหญ่ลืมตัวไปเป็นอย่างนั้ น, นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ไม่เป็นเช่นนั้นแม้ทำการทำงานอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่กำหนดรู้อยู่ ตนเคยพิจารณาร่างกายสังขารมาอย่างไรก็กําหนดพิจารณาตรวจกาอยู่อย่างนั้นความจริงของร่างกายสังขารเป็นอย่างไรก็กําหนดรู้ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอมีจิตใจเบิกบานต่อธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนปรากฏอยู่ในใจเสมอเสมอไปจะอะไรแล้วปรากฏเนยก็อนิจจังทุกขังอนัตตนั่นแหละมันปรากฏอยู่ในใจของเราทุกคนแหละแต่ว่าผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทวนกระแสแสจิตเข้ามาภายในนี่มันหนกไม่ยอมรับรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตอันนี้นะ มันไม่ยอมรับรู้อย่างจริงจังออมันยังสำคัญว่าสิ่งภายนอกนู่นให้ทำให้ตนมีความสุขสบายส่งใจไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจต่างๆก็ลองคิดดูโรงมหรสพครบงนินน อ, อ่ฟันวิมานเทวดานู่นนะ เขาสร้างไว้หลอกคนให้เข้าไปนั่งเพลินลืมตุกตัวอยู่ในโรงนั่นน่ะนั่นแหละเมื่อมันกลุ่มใจมาเอาเข้าไปนั่งเพลินดูรูปภาพต่างๆที่เขาใช้ออกมาแล้วก็ลืมทุกข์ลืมยากไปสักพักหนึ่ง ừ, นั่นเป็นสถานที่แก้กลุ่มของคนส่วนใหญ่ทีเดียวแหละแต่คนส่วนน้อย สำหรับผู้ที่ได้สะดับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจความหมายแห่งคำสอนแน่นอนในใจแล้วอย่างนี้เขาจะไม่เพลินไปตามกระแสะของโลกอย่างนั้นจะมองเห็นว่านั่นเป็นเหยื่อล่อหลอกจิตให้หลงอยู่ในโลกสงสารเขาก็จะเห็นไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่สนใจสนใจจะจะทวนกระแสะจิตเข้ามา ดูกายดูจิตอันนี้เสมอเสมอไปเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนแตกดับไปของนามของรูปอยู่อย่างนี้กระทวนกระแสเข้ามาดูอยู่อย่างนี้เฉพาะผู้ที่มาอยู่ในวัดวาอารามแล้วนั้นยิ่งมีโอกาสได้มองดูสังขาร น, นามรูปอันนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้ว ก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่แนะนำมานี่ก็คงจะเป็นห น, นทางพ้นทุกไปได้โดยลำดับดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้